การบรรยายเกี่ยวกับการแผ่เมตตาในภาคปฏิบัติในครั้งนี้ก็จะพูดถึงการแผ่เมตตาที่เรียกรวมๆว่าการแผ่เมตตาหายาดคําว่าแผ่เมตตาหายาดนั้นก็หมายถึงญาติคือผู้ที่เป็นเพื่อนโรงงานที่ดีก็ดีหรือญาติคือผู้ที่เป็น งา น, นเราก็ดีทั้งระดับที่สูงกว่าเราทั้งระดับที่ต่ำกว่เราแล้วก็คนที่ต้องการหางานหาลูกค้าก็สามารถที่จะใช้วิธีการแพน่เมตตาหายากนี้เป็นเครื่องช่วยความพยายามในด้านอื่นๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็นอกจากนั้นมันมีลักษณะการแพ่เมตตาอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะ ปฏิบัติกันในคราวหน้าคือการแผ่เมตตาปฏิเสธคนชั่วร้ายหรือคนที่เป็นหนูประสในงา น, ท, งนงทั้งลูกน้องทั้งลูกพี่ก็ทาได้เท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะต้องคิดอย่างรอบคอบคนที่หรู่บ้านถูกช่องอยู่ในอนาบริเวณที่มีแต่คนไม่ดีเช่นพวกี่เราเมายาพว น, นี้นะคะ ก็สามารถจะใช้วิธีการแผ่เมตตานี้ไล่พวกนั้นออกไปให้ห่างและสมีของเราได้แต่ผมก็ต้องเรียนว่าทางนี้ทางนั้นไม่ใช่เรื่องที่เราทํำด้วยการหักฐานเอาด้วยอำนาจกิเลสและความโลภของเราเราใช้เมตตาใชอ้อการจัดความเหมาะสมติคนที่เราเทําให้เขาต้องออกไปเนี่ยเขาก็อาจจะได้ดีดีดีคือเราไม่ได้จับจัดแ้่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 ใครแต่ใครที่เราปรารถนาจะได้พบโดยการใช้สือ่อทางจิตอันนั้นเป็นบุคคลที่ไม่ปรากฏอีกส่วนหนึ่งก็คือบุคคลที่ปรากฏแล้วยันเรารู้ว่าอ่าที่นี่แม่คนนี้แม่หรือคนกลุ่มนี้แม่เราก็แพ่อย่างเจาะจงเรียกว่าเป็นการแพ่ไปยังบุคคลที่ปรากฏในเวลาจะแพ่ไปยังบุคคลประเทศไหนก็ตามเนี่ยเมื่อกล่าบโดยลำบมเนี่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 เราสามารถที่จะสร้างความรู้สึกที่เป็นเมตตาแล้วก็แผ่ไปให้บุคคลอื่นวยพรนำความสุขสวัสดีไปให้บุคคลอื่นโดยเรียกว่าขอความกรุณาขอความกรุณาคำว่าขอความกรุณาก็คือเราทำความรู้สึกว่าเราเป็นผู้น้อยเป็นผู้ต้องการความเรื้อกูลจากใครก็ได้ ใครก็ได้รือใครก็ได้ที่เราต้องการให้เขามาซื้อที่เราหรือใครก็ได้ที่เราต้องการให้เขาให้งานเราหรือใครก็ได้ที่เราต้องการให้เขามาช่วยเหลือภารกิจเระดับจะอยู่ในฐานะที่สูงกว่าเราหรือต่ำกว่าเราก็ตามแล้วก็จะโดยตรงก็หมายถึงคนคนนั้นมาช่วยเองหรือจะโดยอ้อมก็คือว่าแหปกระทบ ใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็สะท้อนมาถึงอีกคนหนึ่งที่จะมาเป็นผู้ลงทุนลงแรงช่วยเหลือเราเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราจะลองทํากันในภาคปฏิบัติจริงนั้นถ้าเราสร้างความรู้สึกอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เป็นความเขื่องหรือเป็นการใช้อํานาจหรือเป็นการเอาลัทเอาเปรียบเลยถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าคนนี้เป็นใครในเนนะอว่าเออเอาติดผิดนินทาพยายามที่จะทําลายเรา ถ้าเราก็แผ่ไม่ตายในลักษณะเหมือนออดอ้อนอาจารประบุชื่อว่าคุณกอคุณกอรครับการุณาผมเถิดนะอย่าให้ทำอะไรที่เป็นการไม่บริสุท ธ, ธิธรรมต่อผมเลยนะจะคล้ายๆอย่างนี้ครับเหมือนออดอ้อนขอความกรุณาขอความร่วมมือให้เขาเลิกพฤติกรรมนั้นเสียหรือขอความอนุเคราะห์ ว่าเออใครเขามาช่วยสิ่งนั้นสิ่งนี้แกเราหน่อยแล้วก็ใส่ความรู้สึกลงไปให้พรเขาเหมือนเราเอาจะไปขอความปรณาจากใครเนี่ยอถ้าเราจะให้พรเขาจะขอบคุณเขาเอาถ้าเรารู้ว่าเขาสามารถจะช่วยเราได้หรือมีใจใจจะช่วยเราเนี่ยเราจะขอบคุณเราจะให้พรเขาจะในใจนอกใจก็ตามด้วยความรู้สึกที่จริงจังเสมอ อันนี้ก็เพียงแต่ว่าเราเอามาเป็นการส่งความรู้สึกแผ่ออกไปถึงใครที่ไม่ปรากฏตัวหรือที่ปรากฏตัวเป็นเราๆแล้วก็ตามนี่เรียก ว, ว่าตั้งความรู้สึกว่าขอความอนุโลมขอความกรุณาเหมือนเราไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไปขอพอถ่ายจำลองอย่างนี้ครับแตเพียงแต่ว่าถ้าเราไปขอธรรมดาก็คือถึงก็ขอเอาขอเอาขอเอา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 นะเป็นเรื่องของความสุภาพเรียบร้อยอย่างิ่งแล้วก็ขอในลักษณะที่ว่าคนนั้นเป็นใครก็ตามเราก็ไม่รู้เพียงแต่เรารู้ว่าเราเียนว่ายแเกิดู่ในสังสารวัตรเนี่ยคนที่เราเคยช่วยเหลือเขาไว้เป็นบุญกุลแกเขาไว้เนี่ยมีบัดนี้เรามีความ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 กับคนบางคนที่เขามีบุญคุณกับเราเนี่ยอาจจะเป็นบุญคุณในชาตินี้หรือบุญคุณในชาติก่อนเห็นว่าคนที่เคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่เราในชาติก่อนมีอุปการะคุณต่อเราไม่มีบัดนี้เขามาเกิดเป็นใครก็ตามที่เราไม่รู้นะแต่ถ้าว่าเป็นที่รู้ตัวเนี่ยเราก็ปลาลกเป็นข้อบุญคุณได้นึกถึงความดีของเขาจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งที่ได้กระทาไว้แก่เรา แล้วเราก็อ้างความดีนั้นตอบแทนเขาด้วยความปรารถนาดีต่อเขาอ่าไม่เชื่อท่านลองนึกถึงใครสักคนหนึ่งก็ได้ครับที่ท่านมีความซาบซึ้งในบุญคุณของเขาที่มีต่อตัวท่านแล้วก็ลองลองให้พรนะฮะลองอานวยพรลองแสดงความปรารถนาดีความวิสุทธที่ดีต่อคนนั้นที่ท่านทําได้ไหมยากหรือง่ายง่ายใช่ไหมฮะ คนที่มีบุญคุณชัดๆเนี่ยเราก็ทาได้ที่นี้เอเวลาแผ่เมตตาเนี่ยถึงต้อง ค, อคนที่เขาละเอียดเนี่ยเขาสามารถจะมองหาบุญคุณที่โดยปกติคนอื่นมองไม่เห็นเห็แม้แต่ลูกเนี่ยบางคนก็ยังเห็นบุญคุณลูกแต่เห็นยังไงคือความอันนี้เป็นเรื่องความแยกบยดลึกซึ้งคือบางคนเขาเชื่อ โดยเขารู้โดยเดยยานในวิถีว่าคนที่มาเกิดเป็นลูกเนี่ยเคยมีออปการาคุณใน่ง่กดแห่งกรรมนะเราถึงต้องมาตอบแทนความดีเขาถึงบางทีเขาจะเลวร้าย ไ, ไปบ้างแต่ก็เหมือนเราต้องมาใช้นี่ครับก็ต้องใช้นี่ ด, ด้ีอดีจะได้ไม่เป็นเดินเป็นกรรมต่อเราปราลบอย่างนี้เาก็แผ่บุญคุณแผ่เมตตาให้กับบางคนได้หรือว่า เราค้าขายเนี่ยครัคนที่มาซื้อของเรามาอุดหนุนเราเนี่ยถ้าคิดด้วยความรู้สึก ข, ของคนที่แฝงเมตตา <c oughs> ก็มีความรู้สึกว่าเป็นบุญคุณเป็นบุญคุณจริงๆไม่ใช่ใส่สารตั้นแต่งแต่ว่าขอบคุณที่มาอุดหนุนแต่มันมีความที่เราอยู่ได้เพราะคนเหล่านี้นะฮะหรือแม้แต่พวกชาวไร่ชาวนาที่เป็นฐานลังของประเทศเ ป, เป็นที่รองรับอะไรแต่ไรที่เขาอยู่ทามาค้าขา ย, ยนี้นะมันก็เป็นบุญคุณอันหนึ่ง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 มีความรู้สึกว่าคนมาฟังทำมากผมเนี่ยผมทผมรารบซึ่งเนี่ยจริงๆทราบซึ่งไม่ว่าที่ไหนที่กรุณามาฟังแล้วไม่มีไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นบุญคุณกันเราเลยนี่ด้วยความดั่งจริงแต่มีความรู้สึกคนเหล่านี้เขาแหมบางคนก็ปูรลักผู้ใหญ่ผึ้สามานั่งฟังเนี่ยนะรู้สึกว่าทาบซึ่งและขอบคุณแต่ก็ไม่ใช่น้ออยากให้มาฟังอะไรนักมาเน่ย <Anyway> แต่รู้สึกขอบคุณก็อดแผ่เมตตาอดนะราบซึ้งอะไรอย่างนี้ไม่ได้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 แล้วเคยร้องไห้แล้วก็มีไอ้คนหนึ่งขับรถแสตอ๊อปมันยังไงยก็ลงพามาเอาควักตังให้รา20บาททสมัยก่อน20บาทเยอะนะเวลาเราแผลเมตตาตังคนมีบุญุณเนี้ยก็นึกถึงคนนี้อันทีแล้วก็อวยพนเขาเข้าไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เราก็ยังทราบซึ้งเขาอยู่ว่าเขาให้เราทั้ง20บาททั้งที่เขาไม่ไม่ได้เป็นอะไรต่อเราเลยเป็นแต่เพียงว่าเห็นเราร้องไห้อยากได้อะไรแล้ ว, ลวเขาเกิดความสงสาร อันนี้ก็เป็นบุญคุณง่ายๆนะคนที่แผ่เมตตาได้ดีเนี่ยครับจินคู่กับลักษณะของความเป็นคนมีลักษณะกระตันยูคนกระตันยูในะแผ่เมตตาเก่งแผ่เมตตาได้ดีแล้วคนที่แผ่เมตตาได้ดีแล้วก็จะได้ลักษณะของความกระตันยูด้วยนีเ่เป็นอย่างที่สองนะอย่างที่สามก็คือ เลาลบถึงคุณมันน่าเลื่อนไสของบุคคลที่เราแผ่ให้ไอ้คุณนั้นน่าเลื่อนไสเนี่ยจะเป็นคนที่ปรากฏโดยโตรงที่เราเห็นรู้ประวัติด้วยอะไรอย่างนี้นะอย่างชัดเจนหรือว่าเป็นคนที่ปรากฏโดยโปริยายสมมติว่าเขาทำธุรกิจอย่างหนึ่ง เราไม่ได้รู้จักเขาแต่รู้เขาทําธุรกิจเป็นเจ้าของโรงงานทอผ้ามีคนงานคนงานที่เขาต้องดแูแลอะไรเงี้ยนะฮะอันนั้นมันก็เป็นบุญคุณเป็นความดีที่มีต่อสังคมที่เขาต้องคอยเลือกว่าทุกเดือนเนี่ยเขาจะเอาเงินมาจ่ายเป็นเงินเดือนของคนงานเขาอย่างไรเนมันก็เป็นความดีอ่นหนึง่งเรามองมองก็เห็นโดยที่ไอเขาเองเขาอาจจะ ไม่ได้มีความรู้สึกรับผิดชอบจริงจังอะไรก็ตามก็ถือเป็นเรื่องโดยปริยายหรืออย่างบางคนเนี่ยอย่างเมื่อเช้าเนี่เราคงจะได้ดูข่าวไทยทอดสดที่พวกรัฐบาลพวกในทหารเขาไปหาอดีตนายกคนหนึ่ง เ, เราเห็นได้ก็รู้สึกว่าซื่นชมในความดีงามของท่านผู้นี้เราถ้า เราจะแผ่เมตตาให้มันอาจจะบังอาจไปตั้งไห่ก็ตามเด็ดก็จะแผ่ได้เดินง่ายนะฮะเราก็ทําได้ครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ต้องไปแผ่ให้ท่านเป็นใหญ่เป็นโตว่าท่านเป็นจนขับแบบขับประเทศนะครับอาจะแผ่ให้ท่านได้อย่างอื่นนะที่ที่ดีกว่า น, นี้เท่าที่เรานิยมจมื่นหรือเ ร, อเราเข้าใจอยู่เมตตาก็เกิดง่ายแผ่ให้ในหลวงเมตตาก็เกิดง่าย หรือแผ่ให้คนดีใดๆอะที่มีความดีปรากฏแม้ว่าความดีนั้นจะไม่มาทํากับเราโดยตรงเนี่ยเมตตาก็เกิดได้เกิ ด, เ, ดนนเรื่องหน้าของความเลื่อนใสในคุณของท่านคร น, นี้อย่างอย่างที่สี่นะอย่างที่สี่การแผ่เมตตาโดยอาศัยความหน้าสงสารทีนี้ไอ้ความหน้าสงาาาสงารเนี่ย เรื่นมันเป็นความน่าสงสารที่เห็นชัดๆเห็นชัดๆว่าเขาป่วยเมื่อคือคนที่เคยๆๆโกรกันพอเขาไปติดคุกติดตลาดหรือเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราก็สงสารครับก็สามารถที่จะแผนน่เมตตาโอ้อสิให้ได้อหรือบางคนอาจจะมีความน่าสงสารเรื่องอื่นนะอย่างที่เราเห็นตาม ข่าในโทรทัศน์คนแก่คนตาบอดที่ถูกกลูกมร้านทิ้งกว้างเนี่ยนะฮะเห็นอะไรเราก็แผ่เมตตาได้เห็นคนบ้าที่เดินที่ทาํทาอะไรแต่ใดอยู่ตามแต่เราก็แผ่เมตตาได้เกิดขึ้นได้ง่ายสําหรับอย่างเราที่นี่มันมีไอ้ความน่าสงสารอันหนึ่งคือความน่าสงสารอย่างชนิดที่ซ่อนเล่นนิตหนึ่งซึ่งคนไม่หลักแหลมจริงมองไม่ออกอย่างเช่นวันนี้เราคูยกันถึงว่า คนบางคนเแม้ว่าจะเป็นใหญ่เป็นโตมีตำแหน่งเป็นถึงาธิบดีแต่ว่ามีความน่าสงสารบางอย่างอยู่ในตัวความน่าสงสาร น, นั้นอาจจะเป็นความมืดบอดในเรื่องของชีวิตเรื่องของกรรมเรื่องของพฤติกรรมเราก็เกิดความวธธ ร, รมู้สึกสงสารหรือเราไปเห็นคนที่เคยทำความชั่วบางอย่างให้เราก็มีสติอย่างสงสารแต่ความสงสาร น, นี้เป็นของลึกนะฮะ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 คนธรรมดานไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยรู้สึกอะไรเนี่ยแต่คนปฏิบัติธรรมเามองเห็นก็เกิดความรู้สึกสงสงารเพราะนเวลาแผลเนตตาไปยังสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอาศัยจุดนี้อย่างที่เราอาจจะได้พูดเวลาแผ่เนตตาหรือได้ยินพระท่านนำพูดว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายพูดเป็นเพื่อนร่วมทุดเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นคาพูดของคนที่เข้าถึง ความน่าสงสารอันลึกซึ้งเวลาพระพุทธเจ้าแผ่เมตตาแก่ตาท่างหลายจึงปราลบเรื่องความทุกอย่างนี้เป็นที่ตั้งจึงปรากฏว่าไม่มีใครเลยที่พุทธเจ้าสงสารไม่ได้ใช่ไหมครเพราะว่าทุกๆคนเนียล้วนแล้วแต่ <c oughs> อยู่ในทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการทางนั้าจึงสงสารได้ทุกคน แต่ว่าในทางปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็ปลารบเฉพาะเท่าที่เราเห็นเท่าที่เราเข้าใจถ้าเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นกุ๊บเป็นความเดือดร้อนเราก็ไม่สามารถที่จะแผ่ได้ก็ไม่ต้องเอาความมากขของสามตรงจุดนั้นมาเป็นเครื่องแผ่ท <c oughs> ีนี้บางทีเนี่ยเราเราเอาไอ้ปัญหาที่เรามีเนี่ยมาตั้งคนอื่นไม่ได้มีปัญหาอย่างที่เรามี สมมตว่าเรามีความทุกความกรัตต้ม อ, อย่างใดอย่างหนึง่งแล้วคนอื่นไม่ได้มีเสร็จแล้วเวลาเราจะแผ่เมตตาให้คนอื่นเนี่ยซึ่งผมเคยใช้ในขณะนั่งปฏิบัติธรรมอยู่ท่ามกลางคนปฏิบัติเป็น้อยๆนะเองที่พายินเดียเราปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดไอ้ความคุกที่เกิดจากกรรมและกิเลสบางอย่างที่มันคืนกายออกมา เกิดความผุกมากแล้วก็มองคนอื่นเนี่ยด้วยความรู้สึกว่าหนึ่งเมื่อเขาไม่มีความต้องอย่ากเราถ้าเขาคงไม่มีเวรไม่มีกรรมอย่างเราไม่มีกิเลสอย่างเราหรือมีแต่ว่ายังไม่เจอตรงนี้เวลาเราไปนั่งปฏิบัติแล้วก็แผ่ไปขอให้ทุกคนเนี่ยจงอย่าได้มีความทุกข์ความเจ็บปวดอย่างนี้เลยขอให้ได้มีความสุขเกษมในการปฏิบททัติธรรมจงทุกทุกคนเถิด ในแต่คนเดินผ่านหน้าเราไปผ่านเราก็นึกอย่างเนี้ยขออย่าได้เป็นอย่างเราเลยแล้วก็แกลับกันว่าที่ท่านเป็นอย่างนี้หรือที่ท่านจะไม่เป็นอย่างนี้ดีแล้วขอให้เราจงได้เป็นอย่างท่านเถิด น, นึกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเรานอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเราแผ่เมตตาให้หมอก็ได้แผ่เมตตาให้คนมาเยี่ยมไขรเราก็ได้ ถ้าเราเป็นอย่างนี้ขอให้คนอื่นอย่าได้เป็นทําได้ง่ายไหมง่ายใช่ไหมเรากำลังจะล้มละลายหรือล้มละลายแล้วเนี่ยเราก็ใครคนอื่นอย่าได้ล้มอย่างเราเลยไ ม, ไม่ใจอช่เราลม้มอ่ะขอให้คนอื่นล้มมั่งมัน ก, มนก็มันก็ไม่เป็นเมตตาคิดหมุมนี้เป็นไม่เป็นเมตตาแต่ถ้าคิดอย่างนี้เป็นเมตตาและการคิดอย่างนี้ทําให้เราคนทุกข์กลัวกลายเป็นเครื่องป้องกันความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตของเรา ดังนั้นแม้แต่คนที่เขามาทําให้เราทุกข์เนี่ยมัาเป็นพูกก่อปัญหาให้เราเนี่ยนะไม่ว่าจะการตีขิน ด, ดินการว่าร้ายการโม่งทำลายลอบกัดรับหลังก็ตามแล้วทําให้เราเดือดร้อนเนถ้าเราเคยเกิดจริงเนี่ยนะฮะพลังเราถึงจริงเนี่ยเราก็บซิกความรู้สึกว่าขออย่าให้ก็เป็นอย่างเราเลยเป็นเนี่ยมันทุกข์มากเขาไม่เข้าใจหรอกถ้าวันหนึ่งเขาเป็นเนี่ยเขาจะเข้าใจแต่อย่าได้เป็นอย่างเราเลย มันเกตปวดมากก็เลยแปงเมตตาแล้วก็ทำไปทํมามาก็เลยทำให้เราค่อยยังชั่วขึ้นแล้วก็ทำให้ศตรูกลายเป็นมิตได้ในที่สุดเหมือนกันนี่เรื่องอำนาจของความน่าสงสารแต่เมตตาได้ง่ายสี่ใช่ไหมสี่อันนะอีกอย่างหนึ่งก็คือ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 สิ่งนั้นอาจจะปรากฏกแกเราอยู่หรือได้ประสบสิ่งที่เราต้องการและแม่สิ่งที่เราได้แล้วเนี่ยเราได้อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วตรงนี้จะดีมากเลยที่สมมติว่าเราได้ธรรมะได้ธรรมะได้ความฝึกเกษมในธรรมอย่างลึกซึ้งเนี่ยนะเราก็นึกถึงพ่อแม่ญาติพี่ น, อน้องลึกถึงใครแต่ใครเนี่ยแผ่เมตตาแด้ขอให้เขาได้มา้างได้รับความกเกษมสุขในธรรมได้รับแสงสว่างแห่งชีวิตนี้บ้างเถิด ให้ได้บ้างเกิดนี้นะก็จะเกิดเมตตาได้อย่างดุลแลกนี่คือเอาสิ่งที่ตธอเองได้มาให้คนอื่นแต่ว่าตรงนี้ถ้ษษามันจะนเรื่องขนถมก็อาจจะทําให้เกิดความตรำหนิความแหนห่วงได้แต่ถ้าตั้งวัติการดีแล้วก็ก็ให้คนอื่นได้เพราะในเวลาที่เราประสบความสำเร็จอะไรเนี่ยนะะเราก็เลิกให้คนอื่นได้เสมอแม้แต่เรื่องธรรมดาเออขอให้คนอื่นได้ด้วยใ น, ในเวลาที่เรา เดินทางแผลให้ตนเองปลอดภัยแล้วก็ให้คนอื่นเทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันนั่งเครื่องบินก็ให้กลับปันแผลให้ด้วยแต่ให้พวกแอร์สเตให้ทุกคนให้ปลอดภัยไปด้วยกันแล้วเราจะไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งมุ่งความสำเร็จอย่างใอย่างหนึ่งเนี้ยให้คนอื่นด้วยคือจะได้หรือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราได้ได้ทําเมตตาได้แสดงความบริสุทธิ์ใจแม้กระทั่งว่าสิ่งนั้นเนี่ยเราไม่ต้องการแย่ง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 ม, มีผลตามสมควรนะผมต้องบอกว่าเราไม่อาจจะรับปากการะกันสําหรับทุกคนได้ในทุกๆกรณีแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเที่สืบผลได้ตามสมควรแก่ขั้นแก่ตอนและเราต้องไปลบความสมบูรณ์ของผลร0อยเอเ็ในอาทิตย์นี้เนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็รู้สึกแปลกอย่างหนึ่งว่าไอ้พวกคนเก่าๆนี่โอ้ทำไมกลับมาหาผมเยอะจังผมก็รู้ โทรมาก็มีอะไรอย่างเงี้ยบางคนสื่ปีนันโกรมามันคือโทรมาคุยสองชั่วโมงหคุยแล้วโเจ็บไปเลย <c oughs> แล้วก็บางลายก็มาวันนี้เรากรุณาขับรถมาส่งมามัวนาทิ์หายไปทัปทั้งปีทัมาเรารู้ว่าเขาเหล่านี้เขาเคยมีความทุกข์แล้วก็เคยมาปรึกษาแล้วก็เราก็รู้สึกว่ารักไล่เขาอยู่นะ เวลาเวลาไปทำกรรมฐานอะไรเนี้ยมันก็ผูกมาให้เราติดแผลไม่ตายเก็พ้นความทุกข์อะไรต่ออะไรแหมบางคนก็อยากจะโมโหแต่ก็ไม่ลงเหมือนกันตอนนั้นขัดสนเรื่องเงินทองได้มาสิบล้านหายเนีย่ยไปสิปีปีไ ป, ไปที่โจไปที่วิทุกเรื่องใหม่ไม่แล้วคือมันเกอ่ยวกับดีผอก็ไม่ก็ไม่เป็นไรด้วยออย่างบางรายเออหม่ที่ก็น้าตาแก่ใจก็กคืออย่างน้อยก็ ไอ้ราไม่ไดไเรียกเขามาแล้ ว, ลวก็ไอเรื่องเขาก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างเราก็ไม่อาจที่จะรับรองอะไรเจ้าอะไรก็ได้แต่ว่าก็อยากจะส่งความปรารถนาดีไปให้รูามา้มามากล้เป็นแถวแถวพวกเก่าๆนะลองดูสิครับถ้าท่านระลึกถึงใครที่เป็นคนเก่าๆด้วยความรักจริง ใ, ใจเราเนี่ยแล้วแผ่เมตตาเดี๋ยวก็โทรศัพท์มาเดี๋ยวก็ต้องมาเจอเๆกันอ่าเรื่นี้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 จะไม่ตายจะเกิดขึ้นทีนี้เวลาเราทําเนี่ยเราก็เราดูว่าอันไหนเราทําได้ก่อนคนไหนควรจะทํำด้วยอะไรเราก็เอาวันนั้นมาทํากับคนนั้นทํากับคนกลุ่นนั้นทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏตัวเดีย๋ยวผมจะว่าในทางการแผรในกรณีทั้งสองอย่างนะดีๆผมเนี่ยมีประสบการณ์อันหนึ่งคือบางคนเนี่ยเ้าก็แผรไม่ตายให้เรา呐นะ แล้วเขรู้สึกเลยว่าเราเหมือนเป็นธาตุเมตตาในกระปุกนั้นมันน่าพูะกเอาไว้นั้นแหละอย่ารานี้เนี่ยมันเรามีความรู้สึกว่าเขาเหมือนมาป้วนเปลีนเปลี่อยู่ข้างๆตัวเราก็มาลือดดีหลั ง, ขงเขาโอ้เขาแผ่เขาแผลแรงมากแผลด้วยความรู้สึก อ, อกระโหกน้าตืออะไรกันเนี่ยแผลแรงมากเวลาจะแผลเมตตาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยแผ่ให้การลำดับหนึ่งมาก่อนเลย หอกรไทยทั้งหมดแผแลแรงแผลแบบหมอเหมือนหัวใจจะกริ้งออกมานอกนอกตัวนั้นนะ่ะเออเราก็รู้สึกแหมทําให้ความคิดใจเนี่ยเหมันตะโกนเปี่ยนไปคอยนึกคอยห่วงอะไรอย่งนั้นนะ่ะแล้วมันเหมือนมีคนเหมือนผีมาเล่ <laughs> นงานอยู่ก็ยังบอกเราเออทาไมแล้ว <laughs> เขามาว่าแบบนี้บอกว่านะเขาแผลไม่ตายแต่เขาแผลเนี่ตายจริงๆไม่ได้อมีความรู้สึกไม่ร้ายเป็น อาการใด ห, หรอกก็ไม่จะไดแล้วก็แ่ปรไปแปรกันมาเราจะได้ระลึกถึงกันบ่อยๆ ด, ดีมากั น, นได้เกื้อกูลอย่างถึงบอกว่าจริงแล้วเนี่ยได้เกื้อกูลอย่า ง, างน้อยถ้าเกื้อกูลในใจและต่างคนก็จะต่างดีไปได้วยกันอันนั้นเป็นเหตุปลูกเมตตาจะเรียกว่าเหตุปลูกเมตตาหรือวิธีปลูกเมตตาด้วย อ, อาการ ต่างๆเหล่านั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะขอพูดเติมให้ด้วยก็คือว่าถ้าเราเชื่อมั่นในพลังเมตตาหรือคือพูดในภาษาท่านก็คือว่าเชื่อหรือเห็นอานสงส์ของเมตตาเนี่ยเราจะทําอย่างเต็มบุญเต็มใจอันิสงส์ของเมตตาไม่ว่าจะเป็นอานสงส์ในแง่กรรม หรื อ, อว่าเราได้บุญอย่างที่ผมเคยพูดแล้วนะนี่เดี๋ยวเป็นเรื่องยังหรือในแง่ของสังคมหรือในแง่ของความสําเร็จนั้นๆเมื่อเรานึกถึงอานิสงส์ของเมฆ <c oughs> เกิดได้อย่างกับเพื่กับเราเสร็จแล้วก็พอเราแพ้เมฆตากขาใจใจแล้วก็จะสงบเป็นสุขก็ ก็จะทำให้เราแพอย่างเป็นของที่มีคุณค่าคือพอใจเป็นสุขในี่แพไปถึงใครก็จะมีความรู้สึกเป็นสุขและสงบเย็นตามไปด้วยนี่เป็นเป็นวิการนะฮะที่เราจะปลุกเมตาให้เกิดเอาแล้วนะทีนี้จะให้ท่านทั้งหลายแผ่เมตตาหายากหายา เป็นกรณีตรงนี้ก็ญาติที่มีหลายอย่างคนที่กำพร้าพ่อแม่หาพ่อแม่ไม่ได้แพรหาก็ได้พวกลูกกําราที่โตแล้วไม่รู้ญาติพ่อแม่ที่ไหนแพรให้มันเกิดเหตุประจวบได้แล้วก็คนที่ต้องการแพหาเาเรียกอะไเรียกว่าผู้ร่วมงานอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ ไม่จะเป็นงานสาสนางานสังคมหรือว่างานอะไรข้ออย่างเนี้ยเราก็ถามาแต่ได้ทีนี้ถ้าตร็ น, นีือนะผมจะให้ลองทําแผ่เมตตาในแง่ของงานสมมุติว่าท่านอยากจะท่านกําลังหางานทําหรือข้ออยางจะเพิ่งจบมาแล้วหางานทําหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนงานหรือต้องการหางานมาป้อนธุรกิจต่างๆกด็ดีนะฮะ เลยต้องการหาเงินทุนก็ดีไม่ทราบว่าหน้าเพี้ยนไหมเนี่ยแล้ ว, วที่จริงเนี่ยแม่แต่เป็นพระถ้าจะสร้าโรงโบสถ์สร้างวิหารหลานเดีดีาาก็แผลเล้วตรงนี้เนี่ยนะฮะดูดไหมว่าพระที่ท่านเก่งกรรมฐานเนี่ยท่านทาท่านทําแผลหาคนที่เป็นคนที่จะมาร่วมบุญกัน ก็ถ้าเป็นอย่างไม่แผลอธิษฐานดูว่าทํำสาเร็จไหมก็จะมีเทวดามาบอกบางอะไรบางสาเร็จให้ทำไงนะอย่างอครูบาศรีพี่ชายแต่เป็นอย่างเราเนี่ยถ้าเราไม่สามารถอธิษฐานดูผลสําเร็จไหมสําเร็จล้ออะไรหรือไม้จะเรื่องสำเร็จได้แล้วนีเราก็ต้องแผ่แผ่ให้พรแก่คนที่เขาจะมาช่วยเราลวงนะนะว่าใครที่ อกําลังที่จะมาช่วยเราตอนนี้กําลังออกหัวออกก้อยอยู่เรืียนธุรกิจก็ให้ออกหัวหรือออกก้อยจะได้มีคนมีทองมาช่วยเดี๋ยมาทําบุญร่วมกันเราอย่าเพ้ด้วยความโลภนะบอกว่าเราแพ้แล้วจะมาเอาคนอื่นเข้ามาเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้ต้องบริสุทธิ์กัแล้วก็จะโชคดีไปด้วยกันทั้งหมดเลยคนมาทําบุญก็โชคดีก็ได้มาทําบุญก็ได้มาอ่าามเจอเจอหรือได้มารู้จักเราไงนะฮะ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 อ่าอ่า ไ, ไม่ต้องฝืนคือเราพยายามแล้วได้อุบายต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ก็อย่าไปแผ่เอาไวทท้แผ่ทีหลังเพราะว่าคนที่เราเกลียนเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคเป็นระยะระยะไปนะครับแม้ว่าจะไปอยู่ในที่ปฏิบัติแล้วบางทีก็ผุดขึ้นมายั่วทำให้เราเนี่ยแผ่เมตตาไม่ออกหรือแผ่ก็แผ่แบบขุนฝืนแห้งไปอย่างนั้นก็ก็ระวังยัย เมตตามันเขียเดี๋ยวมันจะระบาดมาเสียเมตตาเป็นอีนที่เราทำได้กับบุคคลอื่นหผู้ป่วยหมายถึงเราจะแผ่เมตตาให้ผู้ป่วย อ, อันนี้ค่อยๆว่ากันทีๆนะอ่าเราจะแผ่ในลักษณะยังไงเอาไว้เป็นประเด็นตนา่างๆเราจะเริ่มแผ่เมตตาในภาคฏิบัิ ถึงตอนนี้เนี่ยท่านเองต้องเริ่มบอกตัวเองว่าเพราะบางคนเนี่ยพอจะหลับตาจลักรู้สึกว่าชักไม่จอดชักกระตับกระตายชักรู้สึกดูเบาแล้วแต่นะคือแต่ละคนบางทีก็มีความรู้สึกต่างๆว่าทําทําไมกันไม่รู้อะไรก็มีเราก็ต้องคอยตอล่อมจิตของเราเช่น <c oughs> ถ้าเรารู้สึกดูเบาเนี่ยแสดงว่าเราไม่เห็นหนาแน่นของเมตตา เม่ใช่ น, นิสสงของการแผ่เมตตาเราต้องนึกว่าเออการแผ่เมตตาเป็นการสร้างบุญชั้นสูงหรืออย่างน้อยว่าได้ฝึกฝนได้เรียนรู้ดหรดอหรือได้พักจิตหรือได้ทาบาปถูกเวรแลรทำให้เกิดขึ้นแล้วแต่เราจะบอกแก่ตัวเราเองได้โดยนสิสงก็ไดเมื่อเราสงบจิต น, นะตอนนี้ให้ทุกคนหลับตาหลับตาเนี่ย เมื่อหลับตาแล้วดูจิตข้นตัวเองก่อนว่าเมื่อหลับตาแล้วความรู้สึกตอนนี้เป็นอย่างไรบางคนพอหลับตาก็เห็นอาการของจิตว่าง่วงเหนื่อยหน่ายท้อแท้เพราะว่าเพิ่ประกอบภารกิจการงานกันมาบางคนก็พอหลับตาก็รู้สึกเครียด หรือหมื่นก็เพราะว่าความพร้อมของร่างกายของท่านในเวลานี้ด้วยภารกิจหน้าที่หรือว่าด้วยอาพาธขัดข้ อ, ขอที่เกิดขึ้นในการนี้ทำให้ท่านมีความรู้สึกอย่างนี้มันเป็นเรื่องเป็นไปได้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ลดทอนการทำสมาธิการแต่แบบไม่ต่างกันลงไปตามส่วนท่านก็อย่าท้อใจ บางท่านเมื่อหลับตาแล้วเนี่ยจิตก็สงบเลยเกิดความรู้สึกเป็นสุขเลยก็มีบางท่านก็รู้สึกว่ามันอึดอัดตามร่างกายก็มีเอาเถอะจะเป็นอย่างไรนั้นก็ช่างขอให้นึกว่าเรากาลังจะฝึกฝืนตัวของเราเองทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมน้อมรับธรรมะ และท่านจะทำได้หรือไม่ได้แค่ไหนอย่างน้อยท่านก็รู้จักตัวตั้เองว่าเมื่อท่านหลับตาแล้วท่านมีข้อขัดข้องทางนี้อย่างไรถ้าใจยังไม่ไปก็ขอให้ความคิดของท่านเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของการแผ่เมตตาก่อนถึงตอนนี้ท่านยังทำไม่ได้ท่านกลับไปทำที่บ้านในวันใดวันหนึ่งที่ ร่างกายจิตใจท่านกรมท่านสามารถจะทำได้ในการต่อไปอย่างแน่นอนขอให้ท่านแผ่เมตตาให้กับตัวท่านเองให้นึกถึงอุปสรรคข้อขัดข้องและความต้องการในส่วนที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่การงานของท่านซึ่งเป็นประเด็น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 ธุรกิจการงานของท่านก้าวหน้ายิ่งขึ้นมีผู้สนับสนุนมีงานเข้ามาให้ท่านเจริญในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นท่านผู้ใดที่ชัดเจน ในส่วนแห่งงานอยู่แล้วขอให้นึกกระชับเข้ามาในส่วนในขอบเขตแห่งงานที่ขอจะชัดเจนของท่านด้วยอำนาจของบุญที่ท่านได้สั่งสมไว้ที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมไว้ขอจงบรนดาลความสำเร็จในการงานที่ข้าพเจ้าปราถนานี้ จงสำเร็จโดยเร็วจงสำเร็จโดยฉับลันจงสำเร็จโดยครบถ้วนบริบูรณ์เถิดด้วยอำนาจของญาตฐาโลหิตของข้าพเจ้าที่ล่วงรับไปแล้ว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 จงอนุโมทนาส่วนกุศลของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอแผ่ความกราถนาดีมาอย่างทันขอให้ท่านจงได้รับอิทธิผลอันนาคตถนาตามความกระสงของท่านข้าพเจ้าขอสีท่านโดยบุญกุศลที่ข้าพเจ้ามี ให้ท่านทั้งปวงเหล่านี้จงได้รับส่วนกุศลและเมตตาของข้าพเจ้าขอให้ทรงจิตแผ่จิต ด, ด้วยความสำนึกด้วยความปรารถนาในใจอย่างลึก ย้ายอยู่ในใจหรือจะโดยพูดคิ ด, คดให้ปรากฏเป็นเนื้อความตามปรารถนาขึ้นในใจสลับกันไปก็ได้แพ่จิตไปยังที่ทำงานของท่านท่านทำงานอยู่ที่ไหนในห้องใด ไปด้วยมโนภาพที่ชัดเจนให้ทั่วห้องทั่วบริเวณทั่วกลมทั่วกองทั่วกระสวว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 มีอนุสาวรีย์หรือมีรูปของผู้ที่เป็นเทพพยาดาเจ้าที่ของหน่วยงานของท่านและอดีตขาราชการอดีตคนที่เคยทำงานที่ได้ล่วงลับไปแล้ว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 ทั่วกันบุญของท่านจงสำเร็จแก่ท่านเหล่านั้นโดยทั่วทัท่วกันถ้าความรู้สึกของท่านสงบนิ่งเป็นสุขเยือกเย็นและเป็นไปด้วยความปรารถนาดีนั่นหมายความว่า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 เป็นเราๆเช่นท่านมีความรู้สึกเชื่อมั่นมีความรู้สึกมีความหวังมีความรู้สึกปลอดโปรงใจกับการงานของท่านในส่วนที่ท่านเป็นกังวลหรือห่วงใหญ่อยู่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 นั้นเป็นคนคนไปแล้วก็แผ่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับสูงลงไปถึงระดับล่าง ขึ้นลงลงอนุโลมปฏิโลมให้เต็มความรู้สึกให้ชัดเจนในใจ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 คนอย่างไรให้แผ่ไปตามที่ท่านรู้อยู่ในใจจากนั้นจึงแผ่โดยรวมทั้งหมดอีกทีหนึง่งส่งจิตไปให้ทั่วบริเวณทั้งบนพื้นผิวดินทั้งบนอากาศทั้งที่อยู่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 ในสิ่งที่เราปรารถนาอันเกี่ยวด้วยธุรกิจการงานนั้นแล้วก็ขอให้ความสำเร็จของเราเนี่ยจงสะท้อนกลับไปเพิ่มภูนให้ท่านมีความสุขได้รับความสำเร็จเป็นร้อยเท่าทวีคูณด้วยและให้ความสำเร็จของเราเนี่ยจงไปเพิ่มความสำเร็จให้กับแม่บุคคลอื่นๆในหน่วยงานนั้น เป็นร้อยเท่าทวีคูณ ด, ด้วยให้คนอื่นได้มีส่วนแห่งความสุขได้มีส่วนแห่งความสาเร็จของเราเป็นร้อยเท่าทวีคูณ ด, ด้วยให้ตั้งความรู้สึกอย่างนี้แล้วแผ่เป็นหลักไปยังบุคคลนั้นบางทีจะต้องทำบุญ ถวายหรือทำบุญเพื่อเป็นปฏิกรรเป็นเครื่องสําแดงความนอกน้อมความขอความกรุณามายัางท่านผู้นั้นและญาติสารกิกของท่านมากกว่าหนึ่งครั้งหรือมากกว่าสองครั้งโดยที่เราเองจะต้องไม่กระัำอยากต้องทำใจให้เป็นกลาง ว่าถ้าเราเป็นผู้สมควรจะได้รับความสำเร็จนั้นก็จงได้รับเถิดจงได้รับอย่างชนิดที่ทุกคนมีความสุขทุกคนมีส่วนทางความสำเร็จนั้นอย่างมากกว่าเราด้วยและถ้าหากว่าคนพบว่ามีใครสักคนหนึ่ง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 หมายโดยชัดเจนไว้ว่าจะต้องมาช่วยเหลือเพื่อกูณเพราะเหตุว่าการที่เราเวียนไหวใจเกิดมาแล้วนับพบนับชาติในทนุนคนที่เราเคยทำคุณกับเขาไว้มีอยู่คนที่ ได้เคยประพฤติเกือ้อกูลเราไว้ก็มีอยู่บัตรนี้เขาจะอยู่ที่ไหนเป็นใครที่เป็นผู้ที่สมควรจะเกือ้อกูลกับเราเกือ้อกูลเราด้วยความจำเป็นทางหน้าที่การงานนี้ขอให้ท่านแทน ความคิดเริ่มจากตัวท่านเองออกไปโดยลำดับโดยลำดับด้วยความพัฒนาด้วยเมตตาจิดด้วยการอุทิศบุญแผ่ไปให้กับผู้ที่เป็นมนุษย์ ญาติสาโลดิตของมนุษย์ผู้นั้นมนุษย์พวกนั้นในหน่วยงานนั้นในธุรกิจอย่างนั้นที่อยู่ในสายความต้องการของเราสรงจิตคืบเลยขยายออกไปโดยรอบทีละน้อยทีละนิด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 ใคที่ได้เคยอุปการะเกื้อกูลกันขอได้จงเกื้อกูลเราให้เราได้ทำงานกับเขาหรือให้เขาได้มาทำงานกับเรามาช่วยงานของเราขอให้คนผู้นั้นจงได้เข้ามาสู่กระแสชีวิตของเรา มาสู่กระแสะการงานของเราหรือขอให้งานนั้นของผู้นั้นจงมาได้กับเราหรืองานของเราจงได้ไปสัมพันธ์ไปได้กับเขาขอให้เมตตาจิตและการอุทิศบุญนี้จงเป็นสื่อเป็นสายสัมพันธ์นำเราให้ได้มา ผู้นั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตามจิตที่ข้าพเจ้าแผ่ไปแผ่ไปจงถึงจงสัมผัสจงชักนำบุคคล น, นั้นมาสู่ข้าพเจ้า ญาติารุทธ์ที่เป็นอมนุษย์ที่เคยเกี่ยวข้องกันกันกบข้าพเจ้าเกี่ยวข้อง ก, กันกับเขาผู้นั้นรงได้ดนสิตโดนใจเป็นสื่อชักนำเราให้ได้ไปพบเขาชักนำเขาให้ได้มาพบเขาและขอให้การพบ มันได้เกื้อกูลกันจงยังประโยชน์ทุกประการให้เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่ายทั้งเราและเขาและผู้ที่สนับสนุนดนปิดดนใจให้เราได้มาพบ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 หรือเราจะได้มากกว่าเขาก็ขอให้การได้มากกว่าเราจงเป็นผลตอบกลับแก่เขาในรูกใดๆก็ตามให้เป็นร้อยเท่าทวีคูณและขอให้ความสําเร็จร่วมกันของเราจงเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลเหล่าอื่นไม่ทําให้บุคคลใดเดืเอดร้อน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 ขอจงได้มารับส่วนแห่งความสําเร็จนั้นไปด้วยขอให้ความสําเร็จนี้จงเป็นความสําเร็จและความสุขร่วมกันแกบุคคลโดยมากจงเป็นที่อนุโมทนาสาธุการแกบุคคลโดยมากขอให้สรงจิต เคลื่อนไปโดยลำดับครอบคลุมโลกทั้งโลกแผ่ไปในจั ก, กรวาลไม่มีที่สิ้นสุดด้วยความรู้สึกนึกคิดและความปรารถนาอย่างนี้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 แก่ผู้ที่เราแพ่ออกไปถ้าเมื่อใดความรู้สึกนั้นลดถอยลงไปจากสำนึกของท่าน <c oughs> ก็ขอให้ท่านพูดในใจหรือนึกในใจให้ชัดเกนเพื่อเรียกความรู้สึกให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็เคลื่อนความคิดนั้นไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจากนั้น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 ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ขอให้ได้มาพบกับท่านหรือท่านได้พบกับเขาจะโดยความบังเอิญหรืออย่างไรก็แล้วก็เพ<อ>ื่อให้เกิดความสอดคล้องระหว่างบุคคลสองบุคคลระหว่างผลประโยชน์ที่ชอบทำ ให้เกิดความสอดคล้องขึ้นให้แทนความรู้สึกออกไปและกลับมาแล้วแล้วเล่าเอย่างสงบนิ่งอย่างชัดเจนอย่างเต็มความรู้สึกอย่างเชื่อมัน่น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 แล้วก็ได้ทั้งการอนุเคราะห์จากท่านผู้นั้นแลกพร้อมกันนั้นแม้บุคคลที่ท่านแผ่ไปโดยไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนการทำบุญแล้วส่งไปส่งกระแสไปถึงบุคคลที่ท่านหมายใจที่ควรจะได้รับบุญนั้น จะทำให้เมตตาจิตหรือบุญของท่านเนี่ยได้รับการตอบ ร, รับดีขึ้นครับคนที่เมื่อเขารู้ว่าเขาเป็นญาติสาโรกิตของท่านจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือเป็นใครที่เคยเกิกูลเขาก็จะกระตือรือร้นที่จะมาลำดับญาต มารับบุญรับเมตตาของท่านแล้วก็จะทำตนให้เป็นประโยชน์เกือกูลต่อท่านได้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดที่ฝึกสมาธิได้จนกระทั่ง ออกไปโดยรอบตัวเองเหีนเป็นรูปกระสินที่แผ่รอบออกไปให้ท่านแผ่เมตตาไปตามวงขยายขององค์กระสินที่ท่านแผ่ถ้าท่านผู้ใดสามารถที่จะจับลมปรานในตัวของท่านได้ แผ่ลมปรานของท่านเนี่ยออกไปโดยรอบตัวของท่านเหมือนกับว่าพลังปรานสานออกไปจากตัวของท่านจะสานออกไปในรูปลักษณ์ใดก็แล้วแต่ท่านจะทำได้บางคนก็สานออกไปเหมือนกับหมอกหรือเหมือนกับ ไอ้น้ำแข็งหรือเหมือนกับกลุ่มควันที่เขาพ่นบนเวทีการแสดงหมอกควันลึกกลุ่มไออันนี้ซึ่งบางทีก็ไม่ได้เป็นภาพเป็นแต่เพียงความรู้สึกที่ทำให้อีกกระแสจิตของเราเนี่ยมีพลังเย็ยนมากขึ้นมีพลังสงบ่มีพลัง ความปรารถนาดีแน่ชัดยิ่งคึ้นเรียกว่าเป็นกระแสเย็นกระแสสงบเอ่ยออกไปจากตัวของท่านโดยรอบรอบนี้จะรอบในลักษณะรอบแบบแบนกลมแบนหรือรอบแบบทรงกลมเหมือนลูกโลกหรือเหมือนผลสม้มก็แล้วแต่จะทำแต่ถ้า ทำจนจำนานแล้วเราก็ทำพลิกแปลงเป็นลักษณะต่างๆหรือถ้ารู้สึกว่าทําแบบไหนความรู้สึกออกไปได้ดี mm. ก็ให้ทําด้วยความรู้สึกนั้นเป็นหลักหรือด้วยความรู้สึกนั้นในขณะนั้นบางคนก็อาจจะสร้าง เขนาฬิกาเหมือนเป็นเข็มนาฬิกาที่ยืดขยายออกไปกีละหน่อยเช่นครั้งแรกเป็นเข็มนาฬิกาสั้นๆคำว่าเป็นเข็มนหมายถึงว่ามีอาการเหมือนเป็นเข็มนาฬิกาแต่จะนึกเป็นลักษณะเข็มเป็นตั้งออกไปหรือจะนึก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 จงไปสัมผัสจงได้แก่ท่านผู้นั้นขอให้ท่านที่อยู่ในรัศมีของเข็มเมตตาจิตที่เคลื่อนไปโดยระยะเทา่านี้จงได้สิ่ง น, นี้จงสำเร็จอย่างนี้เถิดท่านปรารถนาจะให้อะไรแก่เขาก็จงให้และปรารถนาจะขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์ จากเขาด้วยเรื่องอะไรก็จงบอกเขาไปและร้องเชิญหรือขอให้เราได้มาพบกันได้เกื้อกูลกันทั้งโดยตรงโดยพ้อเราก็จงได้ให้เขาและเขาก็จงได้ช่วยเราจากนั้นก็ยืดเข็มนาฬิกาออกไปอีกตามระยะที่ท่านปรารถนา ที่ท่านถนักจะทำแล้วก็เคลื่อนความคิดไปตามเข็มนาฬิกาไปโดยรอบและขยายออกไปทีละระยะทีละระยะจนมองไม่เห็นเบื้องปลายของเข็มนาฬิกาคือตลอดทั่วโลกทั้งโลก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 จนกระทั่งมาสู่จุดหมุนคือที่ตัวของท่านทำความรู้สึกว่าเราได้ส่งใจไปกว้านไปสแสวงหาไปตามผู้ที่ควรจะมาร่วมความสำเร็จควรจะมาร่วมประสานประโยชน์เกื้อกูลกัน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 และเป็นพาหกนำกลับมาซึ่งความเป็นไปได้ของสิ่งที่เราปรารถนา กเานี่มันเหมือนมีไอ้ไอ้สะเก็หรือละอองดาวเนี่ยนะมาโคจรรอบตัวโคจรรอบตัวแล้วก็ขยายอาไปเป็นรูปทรงกลมแล้วก็เวลาเราดึงกลับก็จะรักตัวเข้ามาเป็นอย่างนั้นก็มีแต่ก็บางครั้งเนี่ยเราตั้งความรู้สึกขึ้นกำหนดธัดลมธัดลมอย่างคนที่เคยฝึก การเดินลมปราณอย่างของจีนเขาก็ดีหรือฝึกอย่างคนที่ปฏิบัติแบบกำหนดเวทนากำหนดเวทนาหรือกำหนดความรู้สึกมันก็จะออกไปถ้าออกไปอย่างนี้จะแรงมากถ้าเราจับไอ้สภาวะธรรมคั้นลึกได้นี่นะเวลาแผ่ออกไปนี่แหลงสามารถทําให้สะดุ้งสะเทือนได้คือจะรู้สึกเลยว่าถ้าความรู้สึกอันนั้นออกเนี่ยจะกระดุ้งสะเทือน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 เราอย่างน้อยเราก็มีความสุขมีความสุขกับการทำอย่างนี้แร้ว่ายังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยก็มีความสุขแล้วก็เวลาที่เราไปติดต่อหน้าที่การงานหรือว่าจะไปทำอะไรก็ตามเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองดีขึ้นคนที่กมา้าคนที่ขาดกลัวเนี่ยนะฮะก็จะมีความเชื่อมัน่นแล้วก็อะไรอะไรก็จะดูดีขึ้น ท่านทํนากรรมฐานทาเนี้หลายๆคนเนี่ยเวลาท่านจะอสมมติ่าท่านจะขึ้นมาบรรยายธรรมจะท่านก็จะต้องแอย่งแย่งบรรยากาก่อนหรือว่าเวลาสมมติว่าจะไปพูดเนี่ยเราจะต้องเจตได้อย่างหนึ่งว่าคนที่หรือพระที่ท่านเก่งทางนี้บางทีนั้นไม่มีใครรู้จักตัว ก็อยู่ให้ท่านไปพูดที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์เนี่นะผมต้องเกิดมาเยอะอะพอถึงเวลาไปี่ไม่รู้คนมาจากไหนไม่รู้คนมาจากไหนทั้งที่ไม่มีการประชาสัมพันธ์มันมีทั้งบางคนที่เราเรานด้หมุนได้เชิญไปในที่ใดที่หนึ่งแบบปรับเนี่ยนะไม่รู้คนมาจากไหน ไอ้ทีเราไม่รู้นก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงเนี่ย ท, ท, ท่านเหล่านี้มันจะมีสองอย่างไอ้บางอย่างเนี่ยก็จะดูไม่ได้เชื่อแต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็พอฟังได้ก็คือการแผนื้ตาเลือดลุกค้าเลือดลูกค้าเลยเลือดคนฝั่ก็จะมาผมไป พ, ะ ม, พะม้งพะมาเนี่ยเป็นนย่างนี้นขนาดบางที ขึ้นไปบนเขาลุ้สูงเนี่ยนะทึานต้องขึ้นเป็นระยะทางถึงสิบสามกิโลเนี่ยแต่เวลาท่านขึ้นไปพูดเนี่ยไม่รู้คนมาจากไหนไอ้เรากูดเราไม่รู้ไปนะจริงๆก็คือรู้เพราะว่าท่านแคร์เมตตาก่อนจะไปบรรยายเนี่ยมันก็ต้องเกิดเนนกิดอะไรสักอย่างคนแต่มาแต่แต่ว่าถ้าคนไม่มีพลังเนี่ยบางทีไปจะทั้งพันก็จะล้าก็จะตายคนไม่มาบอกว่าสู้พลังทํามไม่ได้นะ คนปฏิบัติธรรมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขามีฝ่ายใจธรําพันธ์ที่มองไม่เห็นตัวเราก็พูดว่างั้นกันคือฝ่ายใจธรรมพันธที่มองไม่เห็นตัวก็คือว่าคนเหล่านี้หรือพระเหล่านี้เนี่ยท่านไม่ได้มีคนเลื่อมใสเฉพาะมนุษย์นะมีผู้เรื่องใสที่ไม่ใช่มนุษย์ และท่านเหล่านี้ท่านท่า น, า น, า น, า น, านดนจิตดนใจได้คือเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ลองศึกษา ต, ต่อไปสามารถจะดนจิตโดนใจใหท้ที่ไม่น่าที่มีคนใส่บาตก็มีคนใส่บาตอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าโดนจิดตดนใจให้คนต้องมาทําบุญข้ามาอะไรต่ออะไรก็แลแ้วแต่ครับหรือมาฟังเทศน์ฟังธรรมอะไรก็แล้วแต่ตามทุกที่พระภิกษุผู้ทรงพลังนั้นท่านมีความจำลองหวังาัฒนา นี่พูดถึงในแง่ของพระผู้ปฏิบัติธรรมทีนี้ถ้าอีกกรณีนหนึ่งที่มันคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติธรรมก็คือพวกทรงเจ้าเข้าถีนี่อย่ะผมก็สังเกตอถ้าพวกนี้ไปที่ไหนต้องมีคนไปไปกันยอกเาอะไรรู้ไหมมีฝ่ายประจัญพันธ์ที่ไม่เห็นตัว ไม่รู้ไปหาลูกค้าที่ไหนมาพ่อจะมากันเนีอยผมผมเคยถึงขนาดอเคยทดลองเนี่ยเอาคนมาฝึกสมาธิมาฝึกสมาธิแล้วให้ส่งได้ที่มันฝึกกว่าปีมาได้ไดแล้วก็นัดมาที่เน่ะเดีย๋ยเขาส่งได้แต่เขาที่หนึ่งเขาไม่เคยมาตั้งอยู่แถวเอกมัยซึ่งที่นี้ปกติผมกข้าไป ก็ไปคุยธรรมะอะกันก็ก็มีคนไม่กี่คนเลนะนะแต่พอคนนี้มาไม่รู้คนมาจากไหนก็นใจเขาไม่รู้มาจากไหนแต่บังเอิญเราก็พอรู้วา อ, อ๋เขาไปหาลูกค้าอะไรเขามามันเป็นพลังอันหนึ่งของสิ่งที่มองไม่เห็นตัวทีนี้ไอ้ตรงนี้นะ่ะเราถึงพยายามที่จะ นึกถึงหรือให้ความสําคัญแก่ผู้ที่มองไม่เห็นตัวที่เราแพ้ดวงกุศลผูกมิตรให้เนี่ยช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะเราก็ได้พึ่งพิงมาพอถึงคนนะนะด้วยวิธีการอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปท่องคาถาบังคับผีอะไรอะไรอย่างกระเหม็นจะทำกันก น, นะแต่ยังนั้นไม่ได้ธรรมะให้เราใช้ธรรมะใช้พีก ร, รําคือบำรุงให้เขามีพลังเนี่ย มีตบะสูงๆเนี่ยเขาก็นึกถึงน้ำใจของเรามีอะไรก็บอกเราเล่าขานกันให้เป่าบานเฝ้าช่องใคอะไรกอะไรนี่ก็กด้ถก็ช่วยได้ได้เยอะก็มีคนเคยถามผมเมื่อ2คงขาวก่อนบอกเ้าคจะไปรู้ไปจนะนับไงอ่าเห็นอาจารย์แนะนำให้คนขายที่วิดีมีใครบ้างทำได้รับความสำเร็จอ เออผมก็ต้องนั่งนึกเออรู้สึกว่าที่รู้มีอยู่หลายไอที่ไม่สําเร็จเขาก็ไม่ได้มาเล่าแต่ว่าพอพอบอกว่ามีอยู่หลายแล้วก็มีคนมาโทรมาบอกว่าเป็นนี่เป็นสินเขาเป็นนี้เป็นสินเขาเยอะก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนนะแล้วก็มันก็มีที่อยู่แหละได้จะขายก็ไปบอกขายแตอนั้นก็คุยกันผมก็ลืมมาแล้วล่ะ ก, ก็ขอบคุณเขาสารโทรมาพอจะมีเสียงยืนยันอีึ่ลายว่าให้เขาทำอย่างที่เคยแนะนำเนี่ยเออเขาก็สายได้เขาเพราะปรดหนี่ป็ดสินแบงตัแบงกตัวในไร ก, ก็สบายไปก็ลองลองดูนะลองลองดูเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างเพราะว่าคนเหล่านี้ไอคนที่เขาขวางเราเนี่ยก็มี นะเขาคือจะได้ไม่ขวางเราและไอคนที่เขาเคยเป็นอะไรกับเราเนี่ยเรามีสื่อเชื่อมเนี่ยที่บางทีอยู่ไกลแสงไกลเขาก็อาจจะมามาหมายว่ม า, ม า, ม, ามาว่าเออเนี่ยเขาเคยเป็นญาติคาุกิัยแต่เกา่าก่อนมาก็มาช่วยเหลือมาสนับส น, นุนว่าเราได้ส่งสื่ออะไรบางอย่างไปก็ไปถึงได้ด้วยวิธีอย่างเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่า ให้เรามันเวียนว่ายเกิดกันมาหลายภพหลายชาติญาติกี่น้องพ่อแม่ทั้งในทางบวกในทางลบเนี่ยมันมีอยู่เราก็อย่าลืมทีนี้ทําเป็นมนุษย์หนึ่มก็ําลองเดียวกันแต่มนุษย์เราเพียงแต่ว่าเราจํากันไม่ได้ว่าเคยทําอะไรกันมาเป็นตัวอย่างว่าเรามีความรู้สึกศรัทธาใส่กันแล้วก็อาจจะมีการเกื้อกูลกันด้วยอังดาวัตถุ ก็พอจะอนุเคราะห์กันได้นะคือใช้ธรรมะชั้นกตัญญายภาพแต่ว่าถ้าเราใช้ทางทางศีลภาวนาเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวดีที่สุดเป็นตัวดีที่สุดออตอนนี้นะมีตักร์เราที่ทิททจินก็กำลังจะสร้าง ครูหาปฏิบัติต้องใช้เงินนึงสิบล้าน mm hmm. ก็น่าจะมาคุยเราอยากจะให้ให้เจยเหลือกันบ้างแต่ยังไม่ได้คุยกันทีนี้ตอนนี้มันก็แหมเงินสิบล้านมันก็ยากนะเ mm hmm. พร อ, อะไรแล้วก็รู้อยู่แล้วฮ mm hmm. ะที น, นี้พูดถึงปัจจิตทำไมไม่ใช่ล่ะจ๊ะที่ไนะที่ปกจจิตที่ธรรมกมลาฮะผมก็ ก็กำลังจะบอกว่าถ้าได้คุยกันกันกบคณะกรรมการเนี่ยแต่ขออย่างหนึ่งว่าให้มาตั้งวงอธิษฐานจิตแผลอย่างที่ผมว่าเนี่ยจะทํากันไหมนะจะได้อีกเลียกระดมเงินบริจาคดวยวิธีอย่างนี้โดยไม่ต้องไปเสียเสียความรู้สึกต้องไปขอก็อออนั้นขอกนนี้มันเสียหน้าไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจกันนะฮะถ้าหาความสอดคล้องดีๆอยู่ดง ไอ้วิธีรื่นแล้วก็ทาไปเท่าที่ทาได้แต่วิธีนี้จะมีทางที่จะเป็นไปได้เพราะว่าพวกคณะกรรมการก็นักปฏิบัติมือดีๆกันทั้ง น, นั้นช่วยทํากันตรงนี้ไหนได้ไหมจะได้ไม่ต้องไปบอกบุญเรื่อะไรให้มันเกิดใอ้ความรุนๆอย่างนี้ขึ้นแต่ว่าในวงการไวิวัฒนารารนา น, า น, นก็พอเป็นที่รู้กันนะแต่ว่าเราไม่ได้มุ่งใช้ อาจจะมีบางคนใช้แต่ว่าเรารู้มีบางคนใช้นะแต่ว่าอย่างไรๆไล่ๆลาๆเๆนี่ยก็ไม่ได้มองใช้อย่างเช่นเป็นยุคพุทก็ดีสร้างอาคารทั้งสามสิกว่าล้านแล้วก็มาสร้างใหม่ทั้งห้าสิบล้านก็ยังทำได้ทําดีนะฮะมันไม่ใช่เพราะว่านายกเขาล้ำรวยหรอกผมก็ได้จากเงินบริจาคเนี่ยแต่มันทาเรล็กได้ปรากฏว่ามันมีโครงการสร้างครับตอนนั้นนะนะฮะก็เอาอย่างคนอืนะ่นก็ได้ บ้างก็ปอากฏว่าเท่าทุนเท่าทุนพึ่งพระไม่ได้หมายถึงว่าเครื่องเลนะแต่ที่ได้กลับได้จากพลังของการปฏิบัติพลังของการปฏิบัติที่ยได้โดยปริยายไม่ได้ได้ด้วยวิธีอะไรอย่างนี้เรียกว่าได้โดยปริยายจนกระ ท, ทั่งอย่างที่พระจีนเขาบอเออไม่เป็นไรทำไปก่อนเดี๋ยวก็มีมาเองอแสดงว่าคนทําเขาก็พอ ก็เข้าใจอยู่บางเหมือนกันแต่กระจายต้นต้นต่นตางๆเหมือนกันนะทําทําไปก่อนเนี่ยนี่ถ้าเราพยายามสักหน่อยก็คงได้ไม่ใช่ไม่ใชเรเครื่องไมงง่ไม่ไ ม, ไ, มไม่ใช่วิธีนั้นเลยคือทาสร้างลงมือสร้างไปก่อนเดี๋ยวเงินคงมาเองคืออันนี้ถือเอาตามอย่างที่สร้างที่อื่นนะ่ะพอพวกสํานักปฏิบัติไม่อย่างนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าเขาโม่งเขาม้าเนี่ยนะไม่รู้เงินทองไหลามาจากไหน เพราะว่าพลังทีนี้ถ้าหากว่าเจ้าสํานักที่ท่านจริงๆเนี่ย ท, ท่านท่านจะอธิษฐานนะไงอธิษฐานแต่ให้ให้มีปัจจัยในการสร้างก็จะ ท, ำทำําสําเร็จเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนที่ไหนหลายลูกในเมืองไทยเราเนี่มี่ถ้าจะคิดสร้างนะเป็นได้ว่าจ ะ, จะไม่สรางก็คือต้องบอกว่าเนี่ยออันไรยที่ ที่บอกละว่าเออท่านน่าจะทําตรงนี้่ะแล้วก็เงินมันจะไหลมาทมีมาเรื่องการปฏิบัติแล้วก็ใช้พลังอะไเนี้ยนะเงินไหลมาทมีมาได้เป็นเรื่องที่ที่สุดกลไกอะไรไม่ได้ลจริงแต่ว่าผลมันออกมาอย่างนั้นมันอัตมาว่ามันจะอย่างนี้เลยคือว่าถ้าหากว่าเอาบทท่านใช้ป็นสืตามนี้ของไม่ได้ที่วันนีไม่ได้เพราะว่า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 อุตว่าเราขายของ เ, เปิดหน้าร้านขายของก็อย่างธรรมดาถ้าเจ้าของร้านเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วแผ่เมตตาเนี่ยลูกค้นนานะฮะดูแลไปถูกบ้านอยู่ตามแ ย, ยตามอะไรเงี่ยนะไอ แ, แถวนั่นเขามีรถชนกันตายคนตายเขามาลูกศีศพแล้วเราก็เนี่ยรัวมันมีอะไรแต่แล้วก็แผ่ตัวก็สอนให้มันช่วยกันอะไรเงี้ยนะ แผลเมตตาเออคนที่เขาควรจะเข้ามาแล้วก็แผลเมตตาแล้วคนนีเมตตาในขั้นหนึ่งก็คือว่าไอ้ความรับผิดชอบในสินค้าตัวก็ดีขายยาสก็ดีมันหลายอย่างลูกค้าก็ก็มาก็เกิดแล้ ว, ลวไอ้บางรายแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องขายดิีแปลดีเพราะไอ้สินค้าเขาดีอาจจะเป็นคนหนะึงแต่บางรายในร้านเล็กๆร้านขายยาแต่ทาไมขายดิบขายดีทั้งเมืองเนี่ยถ้าร้านนี้เปิด ไออยู่ที่อื่นมันก็มามาซื้อร้านนี้พอเจ้าของร้านทําภาวะนาะแต่ไม่ตัเรี่บร้ยครับเอ่อผมเกือบจะไม่เกือบจะเลิกพูดเรื่องของหายซะแล้วนะี่จะเล่าให้ฟังเมื่อไปเมียกลับมาเจ้าคโยกุศลก็เชิญผมไปบรรยายผมบอกเลยผมเกือบจะเลิกเ ล, ลเลกเล่าแล้วเลิกเล่าแล้วเพราะกำลังรออยู่ว่าผล ม, มันจะออกหัวออกก้อยคือ ถ็จแล้วก็เล่าได้คือผากลับไปยินเดือสองเดือนกว่าเนี่ยมันก็ไม่มีของหายนะทีนี้ผมกลับได้อาทิตย์นึงเนี่ยโอวันนั้นกลับไปแล้วก็ออกมาธุระใหนวันอาทิตย์เนี่ยเรือลําใหญ่นะผมเรือเรือไฟเบอร์เที่ยวไว้ใส่ของเนี่ยนะฮะเรือเดินทะเลแต่ว่าเราซื้อมาให้คนเข้าขนกล่องเราก็จอดใส่รุ่แก่บ้างใส่รุ่ยแจ่บ้า สองเดือนเนี่ยไม่ไม่ได้ใส่กุญแจไม่หายแนคะ่ทีนี้พอกลับมาแล้ววันนั้นนึกยังไงก็ไม่รู้เอากุญแจไปใส่อพอกลับมาวันจันทร์มันตัดกุญแจให้ตั ด, ต, ดตัดเชือกขาดไอ้เราก็ไปตะวันสาเนี่ยขี่จักรยานไปดูมันไปุ บ, บ้านไหนเข้าไปเนีรยไปดูเอหาจับมือไทยโดมไม่ได้ว่าตายแล้วเราอตอนนั้นก็นึกว่าเออสิตอาิปนี่จะต้องไปบรรยายของสาต้องหุบปากะ นีผมไม่มีความรู้สึกก็มันไม่น่าจะหายผมก็ทํำสมาธิแล้วผมอะไรลงมาผมก็แผ่เมตตาทั้งตรอบทั้งขู่ไอ้คนเอาไปเราก็เลยไไส่งจิตไปในตามคลองกลองที่เรารู้มันจะเอาไปทางส่งไปตามกลองนั้นไปถึงไหนเจ้าที่เรารู้เราก็ส่งจิตไปว่ามันเข้าไปขอให้มันเอามาคืนแล้วเราก็สร้างทางไว้เรือของเราเนี่ยมันวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งม า, น, ม า, น, ม า, น, มานะ ทั้งลำเลยฮะทีนี้เราก็ทําอยู่เงี้ยมาแหมดูที่ว่าเราจะไปมีหน้าพูกับพวกไที่รยกพุทธออกนี้เนี่ยทีนี้พอเราสร้างภาพเนี้ยเราสร้างทางเนี้ยมนมีความเหนือตั้งใดขึ้นแต่ว่ามันไม่น่าจะเอามาคืนถึงที่เพราะมันกลัวใครเห็นนะบเออไม่เป็นไรตั้งใดขึนนะกลัวถูกจับกลัวใครเห็นเนี่ฮะมันน่าจะไปจอดซุกๆุกไว้ในที่ใดที่หนึ่ง ไอ้ที่พอรู้ว่าเจ้าของบ้านไปเอากลับคืนมาได้หรือพอรู้มันเอามาคืนแล้วปรากฏว่าได้มีโอกาสพูดอย่างขนาภาคเพิด์เพราะว่ามันเอามาจอดไว้ไอหัวขนาดสวนผมนะฮะมันเอามาล่มสมัยท่านทำเรือให้จบแต่ว่าพอเห็นผมนัไม่เห็นนะไอคน อื่เขาไปเห็นเพาะเรืออาจารย์หายไปไหนพอผมได้ยินคํานี้นะ่ะผมรู้เลยว่าได้คืนแนละ้วบุกง้อได้คืนแนละ้วก็เลยบอกตั้งกต่วันวันอาทิตย์นะไม่รู้บอกไม่รู้หายไปไหนบวกนี้อาจารย์ไม่เห็นเน่ยเขาไปอยู่หัวสวนนะเนี่ยคนนี้เขามาบอกอผมก็เลยได้คืนแหมตามของคืนได้ทีนี้ ไอเวลาที่จะทวงน่งทวงเนี้ย่ยเองนะแล้วนี่ทําทำไงนะทําอย่างนี้แต่ว่าต้องทุกข์ต้องวางใจใเป็นกลางในลำพันธ์มันอย่าเล่าร้อนนะต้องตัดใจต้องว่าเออมันจะมีกรรมหายก็หายจะได้คืนไม่ได้คืนแล้วก็แผนเม่ตาไปให้มันนะขอร้องมึอยาวไปเลยว่ากูนี่ล้ำเดียวมันเอาไปรู้ปุ๊จอะไรผลของแล้วะอะไรเงี้ยนะยาวไปเลยนะกูก็ไม่เป็นคนมีพิดมีภัยก็ใั่หล้วนะอะไรเราก็พูดอย่างเงี้ยพูดแบบไอพูดไกล้หัวขโมยนะ พูดแบบเมตตาเนี่ยครับแล้วก็เล็กในใจไงเล็กในใจแใต่เมตตาแล้วก็มีทั้งกรอทั้งขู้งมึงไม่เอามาคืนแล้วมึงหน้าดุไรเงี่ยนะไม่ดีนะคนนึงเราเราก็พูดส่งพูดเพื่อให้มันออกไปเป็นความรู้สึกไปกระตุ้นแล้วก็แผ่แผ่บุญแผ่เมตตาให้กับญาตาิสารกิจและพ่อแม่พี่น้องมันด้วยบุญ่าตายาเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไงหัวกโมยดก็มุดไปดูตามมาตามเรือ มักขโมยคนอย่างผมนี <c> ่ <oughs> <c oughs> นี่ฮะไม่มีอะไรไม่มีอะไร่ำไปเรือเปล่าแต่ว่ามันราคาเป็นหมื่นนะเนเรือไฟเบอร์อย่างค่อนข้างดีหน่อยก็แล้วเราก็บอกแกเจ้าที่เราด้วยบอกทำดูแลอย่างไรวัน <c oughs> <c oughs> นี้ต้องรีบไปเจรจาะนะ <c oughs> ไปคุณกันให้รู้เรื่อง <c oughs> แล้วก็ทัก น, นามก็ไม่ได้ดูแล้วจำลองดูเล่นๆนะงกแม้อะไรไรเงี่ยวุ่นวายเนี่ยเราจะเอาหน้าไปพูดกับใครก็ได้ไปเรื่อยนะบอกช่วยอ่ะให้มันเรียบร้อยกีนะเติมก็เรียบร้อยเติมกรดิงนั้นเราก็ไปๆสบายใจหน่อยค่อยค่อยพูดต่อไปได้จจไไดเขาไม่ได้เจาะรูเขาคงจะเอียงเรือให้มันจมงงแห น, น ที่หายแล้วใช่ไหมน่าจะ อ, <ม>อาทิตย์เสร็จเส็จน<ม>่จะอาทิตย์เสร็จเสร็จเก็เลยดีใจการทที<ม>่น้ำหายใจเรื่องเรื่องที่ว่าที่ไหนนะ<ม>อ๋อเอออันนี้ผมไม่รู้จักเขานะ<ม>ก็เห็นแต่ว่าเขาจัดการดีเ อ, อะไรดีแต่อันนั้นไม่รู้นะฮะไม่รู้จักเขาเลยพูดไม่ได้ แต่เรากังเกตได้เลยนะผมเองเนี่ยครับอย่างที่บรรยายธรรมะอะไรต่างะผมก็แมงตาแต่ไม่ค่อยจะได้ทำบ่อยนะว่าเวลาไปปฏิบัติทำแล้วออกมาเดียวคนจะมาเยอะเพะผมแฝงว่าอย่าทิ้งกันนะแม่ตาว่ามามาฟังเราก็แผงเห็นภาพทุกคนในห้องทั้งเดียวจําหน้าไหนนั่งทางไห น, น แล่ก็บางคนหายไป น, น, นานๆเนี่ยผมเรียกกลับได้เรียกกลับได้เรียกโดโทรสารมาก็ลองดูบ่อยๆเออเป็นไปได้เหมือนกันเนี่ยหลายคนไนดะ้เรียกกลับได้ออแล้วก็คนที่แม้แต่ทัศนกติอะไรที่ไม่ดีต่อกันเนี่ยนะเราก็เปลี่ยนได้ โดยเมตตาที่บริสุทธิ์แต่ว่าเราไม่ได้ไปเห็น ไ, นไอ้ฆ่าตรงนั้นแต่เมตตาเนี่ยก็ก็เข้าใจกันได้ไอ้บางคนเคยเข้าใจกันผิดแล้วพวกเนี้ยนับตั้งแต่ใบนี้เป็นตอนไปนี่พูดต่อ น, นะครับอย่าไม่ยกมือไหวนะคนคนนี้แต่พอเจอหน้าเขาอ่อนเปรียตแค่อ่อนปวกเปลี่ยนเลยเออมันก็มันก็เป็นปเรื่องคือหนึ่งถ้าเขาไม่เป็นคนกลับไปกลับมาก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่หวั่นไหวกับความ พฤติกรรมหรืออะไรอะเรยังมีความรักยังคาบจรงในบุญ ค, คุณของเขาน้ําใจของเขาที่มีกับเราเนี่ยนะไดเรื่องอถึงจะไปเรื่องว่าเล็กๆน้อยแค่ไหนก็ตามแล้วก็ยังนับถือในความดีของเขาว่าเขาเป็นคนดีเราก็รักษาเมตตาไว้ได้ก็เลยทําให้เขาต้องตื่นน้ํำลายตัวเองเนี่ยเลยบอกนี่เป็นไงไหนคุณว่าจะเลิกยกมือไหวกันแล้วนนั้ามันก็ มันก็เป็นไปได้แต่ว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่เป็นสาระที่มีคุณค่าอะไรตรงนั้นนะแต่ว่าสิ่งที่ดีคือว่าเราสามารถจะรักษาความรักจริงๆไว้ใน ค, คนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าของเราตรงนั้นทีกทีถ้าเราเราจะ ใช้วิธีอย่างเมื่อกี้คือช่วยกันแผ่ไปใครที่เขามาช่วยได้ช่วยประการไหนขอให้เขามาช่วยแล้วแต่ว่าเราเองต้องตั้งสิ่งตอบแทนไม่ในใจให้เขาด้วยนะสิ่งตอบแทนหมายความว่าไม่ใช่เราเป็นผู้ขออย่างคนกระหายหรืออย่างคนแต่จเอาแต่ต้องขอด้วยความรู้สึกว่าแคาเขามาช่วยเนะี่ยเขาคนนั้นโชคดี เขาได้สิ่งที่เป็นกุณก้าเขาจะได้โชคดีเพราะมาทำอันนะั้นต้องทำความรู้สึก่ังนี้ด้วยถ้าเขามาช่วยแล้วเขาต้องมาเดือดร้อนแล้วเขาไม่ได้อะไรเราก็ไม่อยากได้เราต้องต้องทำความรู้สึกกันนะแม้ในเรื่องเรื่องการงงการงานอะไรก็เหมือนกันเมื่อกี้นี้มีใครปิดษับ้างแผลแล้วอื่นอ่ะไม่มีใช่ไหม ไปทําเรื่อยๆและผมฝากว่าวิธีที่สูจที่จะเห็นผลชัดๆเมื่อท่านไปเข้ากรรมาฐานและให้ลองทําตอนนั้นถ้ามุท่านมีความต้องการปรารถนาอะไรอย่างรุนแรงเนี่ยที่เป็นเรื่องแล้วจะแก้ด้วยวิธีนี้เนี่ยนะไปเข้ากรรมาฐานถ้าท่านพอเข้ากรรมาฐานขึ้นนะแล้วก็ให้ไปทำตอนนั้นจะทําให้ปัญหาตกแล้วก็จะทําให้ท่านประสบความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาได้ ถ้าไม่เข้าเนี่ยพลังมันน้อยต้องสะสมนานแต่เรื่องนี้ไม่ได้ทุกคนคือบางคนที่มีพลังบุญดีหรือพลังบา ร, รมีทางนี้ดีเนี่ยนะฮะก็จะสามากทําได้ได้ผลดีแม้อยู่ขา้างนอถ้าสมมุติว่าเอายงง่ายๆพรุ่งนี้หาพรุ่นี้ถ้าสมมติว่าท่านตื่นขึ้นมาตอนเช้าฟัตจมงเนี่นะท่านมาแผ่เมตตาก่อนจะไปทํางานหรือก่อนจะออกเดินทางแผ่เมตตาท่านจะรู้สึกเลยว่า พอออกมาปากสอยเจอร้านค้ามันทำไมมันดีทำไมมันดูถูกหูถูกตาไปหมดนะการเดินทางอะไรก็รู้สึกเออดูมปลอดโปรงไปที่ทา้งนานก็ดูปลอดโปรงนะ่า <c oughs> ไอรถไอเรื่องรถติดนี่เหมือนกันนะ <c oughs> ไ อ, ไอเราก็ต้องว่าทุกอย่างนี่มันเป็นไปตามส่วนของมันเราต้องว่างั้น ไม่ใช่แพ้แล้วมาตอนเวลาไม่เร่งด่วนหลบ ก, ก็ไม่ติดส <c oughs> ิที่นี่ไอ้เรื่องนี้นะครับผมว่าหลายคนมนีมันเกินเวลาแล้วจะจะเล่ากันหน่อยนะ <c oughs> คือทั้งผมเองได้เคยลองดูแล้วก็พวกพวกที่เป็นนักปฏิบัติลองดูสมมติว่าขับรถหาที่จอดเนี่ยไม่มีที่ว่าลองกาหนดปิดแผลเมตตาที่ฐานเกิดมี่ว่าง นีไม่เคยผมเพาผมไม่มีรถผมก็ไม่เคยแต่ว่าก็นังน่งๆรถใครเ้าก็ยอเราเพราะเขานยอาจารย์มาด้วยเลยว่าใ่เขายอ่อแต่ว่าไอ้วันนี้นะมีอาจารย์เฉก็ขับรถา ม, มาส่งผ ม, ผมตอนเขาขับเลิมผิดมาทางทางข น, น้มหงเนนะฮะแล้วมันมีาทางพอเข้าช่องนะั้นมันจะต้องเลี้ยวซ้ายอาจารย์ก็เกิดตรงมาพอตรงมาเนี่ยตำรวจเรียกเรียกก็หยิบใบสั่งมาจะปรับ ไอ้เราก็ที่จริงก็เพียงนิดนิดเลยหน่อยลองแผลไม่ตายหดีย๋ยจะได้จองเวจรังกันเลยอาจ่าไอ้หมูเลยเรื่อันนี้สงฆ์ทางอ า, ากา์จะเพื่อกวนจะจะผู้ยากในยาม น, นี้นะขอให้จเจริญในหน้าที่การงานก็ก็มาคุยกับอาจารย์นะตอนมาคุยผมก็บอกถ้ามามาคุยก่อนหน้าเพราะว่าอาจารย์จะออกเดี๋ยวครับปลับไปเลยเราทําผิดนี่นะต่เสียไปแต่ละแอบแฝงไม่ได้ ตอนเจอหน้าแล้วก็แบบเชื่อไหมเขาบอกเออไม่เป็นไรผมไม่เคยมีโอกาสทำบุญก็ขอทำบุญในวิธีนี้สักครั้งนึงก็วนะ่าน่ะไม่ยอมให้มานะฮะผมก็ยกมือไหว้ขอบคุณแล้วอวยพรในใจจะจำหน้าไว้ถ้าผ่านไปอีกจะเอาแล้วไปฝักตัวนามีน้ำใจกะต่ายปุยขับแม้จะปรับท300ั้งสามร้อย 300หรือ600หรอมันกเลียมเขียนแล้วนะเอาเอาใบต่างไปนะหลอดมาได้แต่ว่าเราก็ไม่ไปยางใจใท้บ่อยนะแต่ตัวไทยยังไม่หวังผลเราแก้เตมตาไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรนะ